มาขนมากนี่สิฉันค้นหายอยากกิเทศนี่ฟังหน่อยดีนักนะแม้ยอยู่นีนอ น, นาเนี่ยคนที่จะมาฟังเทศมั่งๆอย่างวันนี้ไปดูจะไม่เคยมีนี่เป็นวันแรกเลยมั้งไม่อยู่ตั้งสิบกว่าปีเลยวันนี้รู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจงพากันตั้งใจฟังเมือ่อถึงศาต ะ, ะเวลาเวลามาแล้ว ความจริงกลางคืนไม่มีผ่าละให้เหมือนกับสมัยก่อนโบราณมีการโนาหะกรรมประจาบ้านเขื่อนปั่นได้ทอหูมีการจักการสารเจนี่มมีอะไรเลยทานอาหารเข้าเย็นแล้วก็หมดเรื่องพูดกันโอเอโนนี่แล้วก็หมดเรื่องกันไปเสียเวลาหน่าเสีด้าใชีด้ ถ้าผู้ทเทศให้ฟังในวัดสำหรับที่เราจะไปศึกษาหาความรู้มันน่าจะปการฟังธรรมคำสองพุทธเจ้ามันมีประโยชน์มากสำหรับที่เราจะได้เอาไปปฏิบัติชีวิตไปจำวันของคนเหล่าถ้าหากขาดธรรมะจะแล้วหาความสุขไม่ได้ ทำอะไรก็ทำเถิดถ้าหากทำขาดธรรมะเป็นเครื่องประกอบแล้วนั่นหาความสุขสงบไม่ได้ทุกคนเกิดขึ้นมาหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นจะหาในทางที่ผิดคิดว่าจะเป็นไปเพื่อความสุขแต่ในความรสุสกกับทุกซ้ำลายเก่าเก่าดังล่วงหาลักเล็กขโมยน้อย เข้าใจว่าจะรุ่มจะรวยหรือพวกเล่นไพ่เล่นถั่วเข้าใจว่าจะรุ่มจะรวยในผลที่สุดพวกนั่นแ่ละเดือดร้อนมากที่สุดเดือดร้อนเฉพาะตนเองก็ยังไม่แล้วเมื่อมีเงนกินก็จาเป็นจะต้องหารักเล็กขโมยน้อยครอบครัว ก, วก็เดือดร้อนไปตามๆกันนี่เพราะขาด ธรรมทะท่านักสองของพระเดชจ้าวทำโดยความโดยอัตโนมัติเข้าใจว่าอันนั่นจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญพระเดเจ้าวตรัสเทศนาว่าอบายามุกทางที่จะนำไปสู่ความเสื่อมคือความหาญาณนี่กับการละเล่น ท่านนีข่านแสดงไงว้ว่าอบายมุกโดยย่ออิทธิสุโตสุราธุโตนักขาธุโตนโรจโรตังป ร, ราปะวะโตมงคลอิทธิธเตังวิชานามะผู้ใดศึกษาคือสนใจในเรื่องเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุรา สุราสุโตนักขาทุกโตเป็นนักเลงเล่นการพนันปลาปลามิตรโตครบคนชั่วเป็นมิตรตังปราภวโตงกขังยิที่เหตตังวิชานามะความรูแบบนี่นั้นเป็นไปเพื่อปราชเป็นไปเพื่อปราชัยคือความชีพหายนั่นเองทั้งอปราชัยคำวปราชัยคือพ่ายแพ้ เราไม่เข้าใจแท่เลยแพ่ความดีกวบชั่วคนชั่วมันฆ่าไปมันลากไปเอาชนะควชั่วไม่ได้เรียวกว่าปราชัยนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสศนาไว้อย่างนี้แต่เราไม่ชอบฟังไปฟังแล้วมันขืนหูมันฝืนหูเรามันขวางหูเราเราไม่ชอบ ทางคนชักชวนเล่นไพ่เล่นโปลแล้วดื่มชุดลายยาเมาแม่มันสนุกสนานล่าเริงมันถึงเป็นเจ้าชู้ยี่ชอดใจใหญ่ครอบปลาประมิตรคือมิตรเลวสามชักชวนในทางที่ช่ว <c oughs> ถ้าชักชวนในทางที่เดียวไม่ค่อยจะไปมิตรสายจิตใจของคนเรามันต่ำ มันค่อยฟืฟ้นฟูมาค่อย พ, พัฒนาขึ้นมาโดยลำดัดเบื้องต้นคนเรานะจะเกิดเป็นผูดผีพิศาหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรกันไม่ทราบละ่ะท่านแสดงถึงเรื่องบาปกรรมคนทำชั่วตายไปตกนรกคนจากนรกมาเป็นเตะเป็นอสรกายคนจากนั้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉาน พ้นจากนั้นมามาเป็นคนเกิดขึ้นมาพิคคนพิการไม่สมประกอบบ้ า, บาใบเสียจะริบผิดมนุษย์ดีขึ้นมาเกิดนั้นเป็นคนน้อยหน้าต่ำตาหรือคนอับไอปัญญาคือปัญญาไม่ปลอดโปร่งนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมันก่อยพัฒนาถึงอย่างนี้เลย น, นี่เมื่อมาเป็นคนขนาดนี้สมถึงคราวนี้ละสมัยนี้เนะี่ยมาคิดถึงเรื่องชีวิตของคนและจิตใจของคนเรารู้จักดีรู้จักชั่วเรียกว่าพัฒนาคือมาโคแล้วละ่ะรู้จักบาบบนคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้จักพัฒนาตนเองไม่ต้องมีคนอื่นบังคับคือจะต้องพยายามทาดีขึ้นโดยดังดง นี่มันดีขึ้นม า, างนี่แต่ว่าถ้ามีคนใดมาชักชวนในทางพวกชั่วนะไปได้ง่ายที่สุดเพราะของเก่าม่นเคยชินมานมนานแล้วจิต ท, ท่านว่าไว้ตายเป็นเศษเป็นนรสารกายสเศษไรจารได้เดยนลำดับมานละ้วไม่ใช่ชาติเดียวตายทั้งเป็นร้อยชาติสันชาติต า, า, ตตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดในภูมะนะิมันนึงให้ตั้งร้อยชาติสันชาตินิจจนเป็นนิสัยจนชินติด อย่ไปพูดอื่นไกลเลยถึงพระษาวกของบริเจ้าของเราเช่นพระโมคันลาเป็นอักขสาวกมีิทธาปาทิหานิสัยทั้นเคยเป็นลิงมาแต่นานาไม่ทราบวิกิการวิการมาขนาดนั้นนิสัยลิงยังติดอยู่เวลาท่านเดินเฮินไปที่ไหน เป็นคลองเป็นล่องเป็นอะไรต่างๆแมักกระโดดกระคากระลีนี่น ใ, นใส่ได้ขนาดถึงเป็นพระอรหันต์แล้วยังติดอยู่อันพวกเรายัา ง, ง, งโง่เง่าหรือเรายัางเลวสามขั้วธันมาที่ใสใ่ใจที่เหลืองของเราพวกนั้นมากหนาแน่นเนี่ยมันจะไม่ติดยังไงมันเร็วไปติดเร็วที่สุดถ้ามีใครมาชักชวนเหตุนั้นปาปามิตรนั่นน่ะ เป็นภัยร้ายกาจที่สุดในชีวิตของคนเราถ้าครบคนชั่วแล้วไปได้เร็วไปในทางชั่วเร็วที่สุดวันนี้จะเทศเรื่องสุขภาพของกายและใจให้ฟังต่อก็เรื่องนี้แหละ <c oughs> เรามันมีโลกไปจาอยู่กายของเราไม่โลกไปจำอยู่มันไม่ทรงบูรณ์บริบูรณ์ถพราะเราเกิดขึ้นมานั่นเกิดมาจากเชื้อโลกคือว่าบิดดามารดาของเราก็เป็นโลกมันหนึ่งพันหนึ่ง มันเป็นเชื้อโรคอยู่แล้วเลือดเนื้อของบิดารดานะั่คือตัวโรคแท้ๆเนี่ยนะเชื้อโรคจริงๆเนี่ยนะอันนั้นนะโรคพอเรามาปั้นเป็นตัวคนเราแต่ละคนก็เป็นโรคติดตามมา <c oughs> จะต้องมีอาการต่างๆหรืออีกในหนึ่งถ้าจะพูดถึงโรค ที่ผู้ได้ย่อธรรมตรัสเทศนาไว้นั้นมีอวัยวะชิ้นส่วนใดอยู่ในตัวงเรามีโรคไปจับอย่าหมดทุกชิ้นส่สวนแม้แต่ผมและขนแต่ละเส้นก็มีโรคไปจับดังเราจะเห็นได้โรคคือผมร่วงก็มีถ้าไม่ถึงก็ผมร่วงขนร่วงแต่ก็อยู่มาอยู่มามันก็หลุดร่วงล่นไป แล้วก็อันใหม่ขึ้นซอนคือ น, นมาที่ทางเขาเรียกว่าเซลลมันเสื่อมแล้วมันก็เซลลใหม่ขึ้นมาแทนทดแทนนั่นแหะคือตัวโรคหรือไม่เช่นั้นถ้าพูดถึงเรื่องโรคที่ใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นอีกมีตาก็เป็นตาต่อตาแดงตาแฉะมีหูก็เป็นหูอื้อหูตึงหูหนัก มีจมูกก็เป็นหวัดเป็นไอมีลิ้นก็นเป็นกลางลิ้นแตกมีมัมดโรคไปจามในตัวของคนเรานี่ยังว่าสุขภาพมันไม่ดีคือร่างกายไม่ปกติเพราะเตุที่ตัวของเราได้ตัวโรคมาเกิดตัวโรคมาปั่นเป็นคนบป็ตนเป็นตัว เราจะหาไงหน่ะทำยังไงเองจะหา ย, mm. หายอาศัยยาอาศัยแพทย์อาศัยหมอช่วยบำรุงรักษาให้แต่มันก็ไม่หมดสักทีรักษาโรคนี้หายไปโรคอื่นขึ้นมาทดแทนโรคนี้หายไปโรคอื่นแทรกมาอีกอยู่ตลอดการเวลายาศาสตร์จะหายได้ยังไงนอกจากนั้นอีก โลกที่เกิดขึ้นมาในร่างกายของเราเกิดจากดินฟ้าอากาศแปรปัวนิผลิตเช่นฤดูต่อฤดูฝนจะไปหาหนาวหนาวจะไปหาแล้งจะต้องมีเป็นหวัดเป็นไข่เป็นไออะไรกันอยู่อันนี้ก็เรียก โรคอยู่ตลอดเวลาโรคยิ่งเขา้าไปกว่านั้นอีกการเน็ดการเหนื่อยการอดการเปียการหิวการหอยแม่แต่การหิวอาหารก็เรียกว่าโรค ก, การเจ็บปวดโดยเจลาปัตวะถ่ายจาาเจลาปัตตวะก็เรียกว่าโรค <c oughs> โอ้โหมันเยอะอาะไรด้จริ ง, รงคนเราทําไมถันโรคถึงขนาดนี้ คนที่ยังมัวเมาเข้าใจว่าตนมีความสุขเครือหลงโรคเข้าใจว่าตนมีความสุขแท้จริงนนทุกข์อยู่ตลอดกาลเวลาอันนี้สุขภาพไม่ดีอาศัยายาภายนอกบำรุงรักษาสุขภาพอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสุขภาพภายในที่จะต้องใช้ยาคือทำคาสอนพุทธเจ้า ไม่แก่สุขภาพคือการดื่มสุรา่อันนั้นกับสุขภาพไม่ดีแนะ่ปกติธรรมดาคนไม่ดื่มสุราปกติดีๆเยอะเลยเพราะดื่มเขาล้ก็มเมาแปรเลยโอ้ควัดโอ้แฝงทีเดียวล้ะเดินไม่ถูกทางดังด้งนั้นนะข้าวฝันนอนกลิ้งเกื อ, กอตามถนนทางโลกใหญ่โลกโตเหมือนกัน บางทีบางคนโลกคือความพูดคนพูดเท็จปากไม่ดีปากไว้สำหรับพูดแต่พูดไม่ถูกพูดไม่เป็นเอาปากไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ดีคือก่อกรรมทําเวรขึ้นมาที่ปากปากไว้สำหรับ ทานอาหารหน่อเลี้ยงร่างกายให้สุขภาพเจริญงอกงามต่อไปเลยไปดื่มเหล้าเสียหมดเลยเขาฝากไปดื่มเหล้าเขาฝากไปพูดโกหกพาดไป่ากไปพูดส่อเสียดปากไปพูดยุ่แย่ส่งเสริมเพื่อเจอแล้วไหลสารพัดทุกอย่าง ปากชั่วสุขภาพของปากไม่ดีนะบางคนนั่นไม่ใช่อย่างนั้นเป็นน้าเลงเจ้าชู้อันนั้นสุขภาพไม่ดีเหมือนกันอ่ะปกติธรรมดาเกิดขึ้นมาคนเราจะต้องมีครอบครัวพัวเมียอยู่คู่ครองเป็นธรรมปกติแต่ไม่ชอบซับซ้อน หาสอบแนนท็กงุนหนีสาธารณสุขอย่างว่าพืชผิดมิดช้าจานพันยา้ามีรูปเขาอะไรต่างๆมันไม่ดีด้วยนะมันสุขภาพไม่ดีมันแปรปวนไปแล้วมันไม่ปกติใช่ไหมบางคนไม่เท่นนั้นหาลักหาคงหาช่อหาขโมยของเขาเงี้ยเล็กเี้น้อยแต่ตัวสุขภาพไม่ดีเหมือนกันน่ะ ถ้าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติได้ประการต่งางๆสารพัดตัวอย่างล้วนในเรื่องสุขภาพไม่ดียานี้ให้หมอไม่ได้หมอปรั่งก็รักษาไม่หายต้องใช้ยาคือธรรมโอสถคำสองคุณเจ้ารักษาถึงจะหายถ้าหากเราเข้าใจเราเป็นโรค สุขภาพของเราไม่ดีแล้วมันเป็นของนาเกลียดสุขภาพนั้นเป็นที่เหยียดหยมรู้ถูกของคนทั่วไปหรือแม้แต่ตัวของเราเองก็เกลียดตัวเราเองคิดตรงนี้แล้วกันเที่ยวไม่ดีเราทำชั่วคิดสินห้าประการนี่นหละมีความรู้สึกขึ้นมาภายในทุกขอ้ออะ ประพืชคอยในกลางถึงรู้สึก รูก่านภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันวิดนาำ